สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากพระธรรมสุภาษิตทั้งที่ยี่สิบเอ็ดเรื่องพรแปดประการพี่น้องครับพระเจ้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามครับข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่ยี่สิบโปรดฟังพระของพระเจ้ามนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจเป็นสุข จริงหนอเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกําไรนั้นดีกว่าทองคําปัญญาประเสริฐกว่าทัพพิมพ์และบรรดาสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกับปัญญาไม่ได้ชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาและที่มือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือสันติภาพ ปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ยึดเถอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเถอไว้แน่นเรียกว่าสบายพระเจ้าทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญาโปรงทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจโดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็ปัะทุออกมาและเมฆ ก, ก็หยากน้ำค้างลงมาพี่น้องครับในพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีพรแปประการซึ่ง เป็นคำเทศนาบนภูเขาขององค์พระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์เดิมก็มีพรแต่ประการเหมือนกันครับและพรแต่ประการนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่สามข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่สิบแปดซึ่งผมได้อ่านให้พี่น้องฟังไปแล้วพรแต่ประการนี้นะครับได้แก่หนึ่งกําไรสองชีวิตยืนยาวสามความมั่งคั่ง 4. ีเยียิยศห้าความร่มรื่นหกสันติภาพเจ็ดชีวิตแปดสบาย ค, ครับในข้อที่สิบสามำเริ่มต้นด้วยว่ามนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจเป็นสุขจริงหนอคาว่าเป็นสุขจริงหนอนั้นภาษาอังกฤษใช้คาว่า b l e s s นะครับนั่นหมายความว่าเป็นพรนั่นเอง ชีวิตของเรานั้นหากเราได้รับพรชีวิตของใครได้รับพรแสดงว่าชีวิตของเขานั้นได้รับพระปัญญาเข้ามาอยู่ในตัวของเขาพระปัญญานั้นก็เปรียบเทียบว่าเป็นคุณครูปัญญาหรือเปรียบเทียบได้ว่าเป็นพ่อเจนะของพระเจ้าหรือเล็งถึงองค์พระเยซูคริสก็ได้น้องครับใครก็ตามที่มีพระปัญญาของพระเจ้านะครับที่มีโลกอสของพระเจ้าได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขา ชีวิตของเขานั้นก็ได้รับพ่าผรเป็นสุขจริงหนออันนี้อยู่ในข้อที่สิบสามต่อไปนี้นะครับเราจะมาดูครับพรอรแต่ระการนั่นคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือกำไรภาษงกตแใช้ว่า profits เพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกำไรนั่นก็ดีกว่าทองคำนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มีปัญญาชีวิตของเขาจะมีกาไร เพราะอะไรครับเพราะว่าผลผลประโยชน์หรือผลได้นะครับที่ได้จากปัญญาผลได้นะครับของปัญญานั้นดีกว่าเงินดีกว่าทองครับนั่นคือการที่เราจะมีผลกําไรพี่น้องครับผลกําไรคือการลงทุนถ้าเราจะเอาทองคําลงทุนนะครับหลายหคนเล่นทองหลายหคนเล่นหุ้นหลายหลาคนนะครับก็ท้าเงินพี่น้องครับ ผลที่ได้จากการเล่นทองท้าเงินเล่นหุ้นสู้ผลกำไรจากปัญญาไม่ได้อันนี้เป็นประการแรกนะครับก็คือกำไรประการที่สองครับบรรดาสิ่งที่ชอาปัญนาจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้และในข้อที่สิบหกได้บอกว่าชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาภาษาอังกฤษเช็คก็ชีวิตยืนยาวคือ length of days ครับ length of day นะครับก็หมายความว่า ชีวิตของเขาเนี่ยจะยืนยาวบนแผ่นดินโลกอันนี้สามารถตีความหมายตรงตามตัวอักษรได้ปัจจัยของการมีชีวิตยืนยาวนั้นอย่างน้อยมีสองปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือการที่มีพระปัญญาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราหมายความว่าเรามีพระเจ้านะครับซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดเป็นบ่อกเกิดของปัญญาเรามีความยำเกรงพระเจ้าเรามีจิตใจที่เชื่อฟังพระเจ้าเข้ามานะครับ ทำให้เป็นช่องทางที่ประปัญญาเข้ามาในชีวิตของเราทำให้ชีวิตนั้นยืนยาวประการที่สองครับปัจจัยการที่เราจะมีชีวิตยืนยาวก็คือในพระคัมภีร์ใหม่เราพบว่าการยำเกรงยำเกรงคุณพ่อคุณแม่การแสดงความกตัญญูกตตะเวทีการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นั้นทำให้ลูกมีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินโลกประการที่สามครับความมั่งคั่ง าอสังเกตเชาว่าริ c h e ตส์นะครับความมั่งคั่งนั้นกับกำไรเปรียบเทียบกันนะครับก็คือว่าความแตกต่างระหว่างความมั่งคั่งกับกำไรนั้นก็คือความมั่งคั่งนั้นเน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับเน้นเรื่องการสะสมนั่นหมายความว่าอะไรครับแปลว่าความร่ำรวยนั่นเองที่นี่บอกว่ามือซ้ายมีความมั่งคัง่งอันนี้เป็นพระ ก, การที่สามครับเขาจะร่ารวยนะครับ ไม่ว่าเขาจะร่ํารวยด้วยทางกายภาพนะครับหรือความมั่งคั่งทางด้านที่อยู่อาศัยนะครับความมั่งคั่งทางเรื่องของความต้องการจําเป็นหรือนิดต่างๆของมนุษย์เขาจะมีครบและอประการที่สี่ก็คือเกียรติยศอันนี้ใช้คําว่าอ่อนเหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าเฟมเฟมัสนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นจิตภาพในขณะที่ความมั่งคั่งนั้นเป็นกายภาพ แต่เกียรติยศนั้นก็คือศักดิ์ศรีการที่คนนั้นจะได้รับการชมเชยการยกย่องอย่างจริงใจอันนี้คือเกียรติยศที่ได้จากการที่คนเท่านั้นมีปัญญาประการที่ห้าครับในข้อสิบเจ็ดทางของปัญญานั้นเป็นทางของความร่มรื่นความร่มรื่นนะครับภาษาอังกฤษชีง ว, ว่า p r e s e n c p r e s e n c แปลว่าอะไรครับความพึงพอใจครับความร่มรื่นร่มเย็นชีวิตของคนที่มีปัญญานั้น ก็จะเป็นชีวิตที่ร่มรื่นราบนะครับราบรื่นนะครับร่มเย็นทำให้เขาเกิดความรู้สึกสบาย mm hmm. เกิดความรู้สึกที่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่นะครับอยู่ในทุ่งหญ้าที่เขียวสดอยู่ในใกล้ๆกับริมน้ำแดนสงบซึ่งตรงนี้นะครับเป็นพรประการที่ห้าต่อไปครับเป็นพรประการที่หก็คือสันติภาพหรือเรียกว่าพีความร่มรื่น ก็จะควบคู่ไปกับสันติภาพนะครับความร่มรื่นร่มเย็นราบรื่นนะครับก็จะควบคู่ไปกับสันติภาพพี่น้องครับคำว่าสันติภาพหรือพีสนั้นทำให้ผมได้มองไม้กางเขนครับการที่เรามีพีสนะครับในไม้กางเขนแนวดิ่งก็คือพีสระหว่างเรากับพระเจ้าแนวดิ่งในแนวราบนะครับก็จะเป็น กันเป็นไม้กางเขนในแนวราบนั้นก็เกี่ยมีพีซนะครับกับตัวเองและมีพ c e กับคนอื่นอันนี้คือแนวราบของไม้กางเขนเพราะฉะนั้นการมีสนาิภาพนั้นมีอยู่สองแนวเราจะคืนดีกับพระเจ้าและเราจะคืนดีกับมนุษย์และที่สำคัญก็คือว่าเราจะคืนดียกโทษให้กับตัวเองพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญเพราะนี่คือความหมายของไม้กางเขนครับ การที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อนำมาซึ่งพีชนะครับทรงเป็น Prince of ฟพีชประการที่เจ็ดครับปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตภาษาอังกฤษนั้นใช้คาว่า t r e of f life ก็คือปัญญานั้นใครที่มีนะครับเขาจะสามารถที่จะพึ่งพานะครับปัญญาและนำไปถึงชีวิตของเขาได้การมีชีวิตนั้นไม่ได้หมายความว่าเราหายใจได้นะครับแต่การมีชีวิตนั้น มีความหมายถึงการที่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เป็นความหมายชีวิตองค์รวมนะครับแต่พระมีหมายเส้นหมายถึงความครบบริบูรณ์ในแง่ของการมีชีวิตนิรันดุด้วยและประการสุดท้ายครับผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นเรียกว่าสบายนี่เป็นความประการสุดท้า ย, ายเป็นความประการที่แปดนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คว่า happiness หรือ happy พี่น้องครับเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดจากพระปัญญา พรอสแตะการนี้นะครับจะทําให้เราอยู่ในโลกนี้นะครับด้วยความสุขสบายเป็นพรที่เราทั้งหลายจะต้องมีเมื่อเรามีพระปัญญาของพระเจ้าอีกสองข้อสุดท้ายครับพระเจ้าทรงวางรากสร้างโลกโดยพระปัญญาและพระองค์ทรงสารปนาค้าสวรรค์โดยความเข้าใจโดยความรู้ของพระองค์น้ํามาดานก็ประทุออกมาและเมฆ ก, ก็หยาดน้าค้างลงมาพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ก็สามารถที่จะตีความนะครับ ว่าเล็งถึงพระเยซูนั่นเองในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาต่อว่าพระชนะพระเจ้าสองข้อนี้เล็งถึงพระเยซูได้อย่างไรขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีพระบัญญาอยู่ในชีวิตเพื่อเราจะมีพรแต่ตาการ